เรื่องสถานการณ์พุทธศาสนาในโลกยุคปัจจุบันตอนที่สามโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยกว่าจะรู้ได้ติดกับพะ้ะผู้นเชารอถ่าแต่เศร้าเป็นผ้าเป็นเจาะวาลหลนมันก็ตัวเกงแทะวะทันมาหาพเพราะมันยืนเองคือเก่าอ่านีว่วาฉันกูได้แล้วตัวการเมื่อวานมันตัวกูยงังคักวาฉัน ดาถามว่าได้น้อยนึงหายใสบายแต่หัวมึงว่าสันเป็นพระเป็นเจ้าหัวโลโลนไปจนจังตัวไปสันข้านก่ายิ้มจเจริญพรโยมอาตมาได้นิดหน่อยที่บอาว่าได้นิดหน่อยไม่ได้บอกว่าได้ข้าวเจ็ดปีกับสิบเดือนเพิ่งจะได้พูดกับโยมเมื่อวานนี้คําเดียวโยมบอกใสหัวไปให้พ้นกลับมาโยมถามว่ามึงไต้อะไรอาตมาก็บอกได้นิดหน่อยได้พูดกับโยมเพียงเท่านี้เอง อ้าเราดีใจยังไงบ้างไปบอกเมียบังดูด่าปันนี่ก็ยังว่ได้นิดหน่อยขันเอาเข่าให้กินสะได้หลายปันได้ยุ่งจะไได้บุญบอกนี่มนขึ้นทั้งเฮือนว่าไปกินเข่าให้ในท้ออ่านวะฉั น, นคราวนี้กอะไรขึ้นบ้านพระรอหน้นขึ้นบานแต่ฉันข้าวเมธิกสูเหล่านี้ขนาดเราด่าปันนี้ก็ยังบอกว่าได้นิดหน่อยดูน้ําใจของท่านประเสริฐและพากันเริ่มไสเริ่มใส่ด้วยการปฏิบัติเห็นไหมหนิท่านไม่ได้เทศเมื่ออาตมาแต่ท่านไปยืนเทศเงียบอยู่เจ็ดปีกับสิบเดือน ไ่ได้มาแฮบแฮบแฮบดูจ Lane ังสิเพราะฉะนั้นก็เทศคืออันนี้การปฏิบัติธรรมก็เทศสมัยก่อนอาจารย์มั่นอาจารย์ฟันท่านเทศอยู่ในของเขาผูผานไม่ได้เหตุหลายปันอาตมาดอกพุทโธเดอร์มาส่วนแรกรวดไม่สงบหกพันงานกระปอมกาขึ้นมือละห้อยกระปอมหน้อยขึ้นมือละพันมาบ่ท่นขึ้นหลายกว่านั้นขึ้นวัดมือไปอ่อนซอนเลยเทศุทอนั่มอาจารย์ม ah, right? ั also, ่นคนสบายฟังเพิ่นพุทโธแล้วกับพุทโธนํามเพิ่นก็เลยใจเย็นไปสงบไปผัวตายกับพุทโธเมียตายกับพุทโธเนี่ยบม่ได้เหตุหลายป ก็เชิญท่านขึ้นบนบ้านไปฉันฉันและทุกวันนี้หมดว่าแต่นี้ต่อไปท่านอย่าไปที่อื่นเลยมาฉันตรงนี้แล้วเด็กชายหน้าขเสนไปเรียนจบไปเพศอาจารย์ไม่มีจะสอนแล้วมันได้บัดก็เลยถามพอ่อพ่อพอพ อ, อันพระเหลี้ยงๆที่มากินข้าวอยู่บ้านเราเนี่ยมีอะไรให้เราเรียนไหมไปทานเป็นทีละละไปทานพังรู๊ก็เลยไปกราบท่านอาจารย์ครับท่านบวชเลืองๆเนี่ยท่านมีอะไรให้ผมเรียนไหมผมอยากจะเรียนผมไม่มีที่จะเรียน อือท่านบอกจะเรียนสักขนาดไหนโอ้ยช่วยสอนให้ผมทีสอนไม่ได้คนจะเรียนต้องบวชเหมือนกันหนุ่มเลืองห่มเหลืองโกนผมเหมือนกันเฮ้องค์นี้ก็อยากบวชเลยเด็กชายหน้ากระเซ็บอกพ่อแม่คอยชิวบวชมื้ยอย่าพาบวชหล่ะไอ้อเอาใหญยกว่านี้คนบวชบวชบวได้บวชตายเรา่อยบวกินข้ัวเข่าคอยจะเรียนในเด็กมันบ้าเรียนมันไอคิวสมองสูงเหมือนลูกเราที่มันเรียนเก่งๆไม่ให้ไปโรงเรียนมันเชียดนี่ก็เลยพ่อแม่ขัดไม่ได้ให้บวชบวชแล้วกันเรียน เอาไปบวชกับพระรลหะบวชและห่างกันเรียนทรงไปเรียนจากสำนักต่างๆจบพระไตรปีดกจบอภิธรรมจบพระสูตรจบวินัยตบ๊บมีคนที่จะไปเถียงคนที่จะไปต่อสู้มันต้องเรียนซะก่อนถ้าไปปฏิบัติเลยเนี่ยมันไม่เอาอย่างพวกปฏิบัติทำสงบมากมีความสงบปล่อยวางบ่เถียงหมู่ซุมเนี่ยเก่งหูว่าบ่ถือกยะเขาเถียงเขาบ่แพ้ขี้ข่านเถียงสุมนี่ยเศรก็เลยให้เรียนเรียนจบแล้วแต่อาจารย์เนี่ย พระอุปชาเนี่ยท่านเป็นพ่ออรหันนะองนี้เป็นเป็นเนนหน้ากระเรียนจบจนเป็นพระจบมากลับมาไปกับอาจารย์ไปบิณฑบาตวันหนึ่งท่านคิดน้อยใจว่าโอ๊ยวาสนากลัวไอว่าสันคดไม่ไก่บวชมาลำพันธ์ศาสตรเดียวเธอเดียวก็จะมันได้อุปชาโง่ท้เอ๊เอ๊มาสั่นอุปชาเฮาหนิบดายเอ๊ยยังมาสั่นความคิดในใจ ท่นก็ไม่ได้จริงท่านเป็นพระอรหันต์นี่พระอรหันต์มันอาจจะอ่านหนังสือกอไก่ท่ากัปั่นนี่ก็ไม่ได้แต่ท่านจบการศึกษาน่ะพอน่ากระแสงก็ดูถูกเดินไปตามหลังว่โอ้ยได้อุปชาณน้ําเพันเธ่เดียวก็จะเป็นโง่ได้บ่ได้ยังนอกท่านพอคิดอย่างนี้ท่านลูกท่านเป็นพระอรหันต์นี่จิตใจท่านละเอียดท่านจับเลได้ตลอดถ้าเอาเลได้จับข้างหลังท่านก็หยุดจั๊กล่ะเอ้ยหน้ากระเซ็อันซัวกระดีโง่กระตามกับอุปชาเจ้าหันแล้วบ่ได้ยังกะ คือพอคือแม่เขานี่ยนะงงกับพันเป็นพอเป็นแม่เขาอันเจ้าเล่เหลนี่บาปอย่างไงได้หล่ะเอ้ยเพียงแค่นี้เองหนะ้ากระแสนพูดยิงพยองมากเพรด้วยความรู้พุม่มลงกลางดินกาบกาบไว้ยอมครูบาอาจารย์เพียงแต่คิดเท่านี้ทั้งก็ลูกให้ลูกโอ้ยมันเก่งยังไงเฮ็ดจังเล้ผมคิตมันนุ้ผมยอมแหละครับบัณฑิตย์ให้ผมเป็นบาปเป็นกรรมท่านก็เลยบอกว่ายอมก็ยอมแต่ว่าบาปกรรมอ น, นี้ยังไม่หลดุดไม่พน้นจนกว่าเมื่อได้เธอจะปฏิบททัติธรรม ให่เห็นอย่างนี้ก็เลยพยายามที่จะปลดเปลื้องบาปไปปฏิบัติธรรมจนตนเองบรรลุเป็นพระ อ, อรหันต์เมื่อบรรลุเป็นพระ อ, อรหันต์แล้วเห็นจิตเห็นใจคนอื่นได้คืออาจารย์ก็ไปกราบในพรมมืดเลยบอกมืดแล้วบอครับกรรมที่ผมได้ดูถูกอาจารย์ท่านอาจารย์อนุญาตให้ผมดูอย่างนั่งปะหลัดเทใจจริงเหรอฮุนพญามิลินที่เมืองปาตลีบทนนะขันจะไปปราบพญามิลินนี่ว า, าพระพญามิลินนี่ พระประวาทางศัทธเมนะนิกาเหตตาวาสัพติหานี้อย่างไปปาฏวาะอันนั้นเอาลงอย่างราบคาบสงบด้วยธรรมอันถูกต้องปาพญามิลินได้คอยจังสีเอาไพ่ทอดให้เจ้าอยู่ใสมีเจ้าคนพญามิลินให้มันขี่คอกันมาตั้งแต่ดินทั้งฟ้ามันก็บริยานมาสันในที่สุดก็ส่งไปปาพญามิลินปาพญามิลินได้าศาสนาก็เจระเริ่งเรื่อนขึ้นมาวัดว่าอารามก็เกิดขึ้นพญามิลินก็กลับมานับถือพุทธศาสนา แล้วพวกเราในยุคนี้จําเป็นจะต้องสร้างบุคลากรใ น, น, นขนาดนี้แต่ก็คือสิบวันรองไปยืนให้ข้าเจ้าด่าหอดเจดปีเสือเดือดดอกที่หนกมีคนถิ่นประวัตหลายอยู่เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเดี๋ยวนี้กําลังสนับสนุนสร้างบุคลากร อ, อย่างนี้แล้วอยากจะฝากต่อไปว่าทำอย่างไงเราจะจะมีบุคลากร อ, อย่างพระนาเกเสนที่จะปรากพยามมีริ่นได้ต้องมาช่วยกันเน้นช่วยกันสรรเลิกกันสร้างได้แล้วคนตีพิหารใหญ่โตฟื้นวุ่นนั้นนะไม่เป็นเครื่องมั่นคงของศาสนา ประเทศที่เบ็ดลังคาวัดในมืองด้วยกระเบื้องเคลือบทองคำหนาหุ้มด้วยเสาเนี่ยหุ้มด้วยทองคำหนาถ้ากับหนังช้างอารามโปตะละที่กรุงรซาบรรจุพระได้เป็นหมื่นหมื่นแต่เสร็จแล้วที่เบตก็อยู่ไม่ได้าศาสนาไม่ใชเจริญที่วัตถุต้องเจริญที่าศาสนาบุคคลมีคุณภาพาศาสนธรรมบริสุทธิ์ไม่ถูกมอมเมาเป็นเนื้องอกเอาคือจังคนโบราณฝันเหมือนในพุทธธรรมนายที่พูดไวน้นี่เพราะเห็นนั้นวันนี้ เราได้พูดถึงสถานการณ์ผู้ศาสนาในโลกยุค ป, ปัจจุบันว่าอยู่ในยุคหัวเลียวหัวต่อและอยู่ในยุคกำลังกลับหลังสู่พื้นฐานแห่งผู้ศาสนาเราขาดบุคลากรที่จะให้คำตอบแก่ปัญญาชนรุ่นใหม่เราขาดบุคลากรที่จะเป็นบุคคลในอุดมคติในทางผู้ศาสนาเพราะเหตุ น, นั้นท่านสมาชิกแห่งพุทธสมาคมทั้งหลายจะต้องมาช่วยกันสันสร้างบุคลากรเหล่านี้ การทำบุญก็จงเลือกให้มันถูกมันต้องดีใจด้วยอนุโมหนาะสาธุการที่ท่านตัางหลายมาทําบุญกันในวันนี้การกล่าวทำมิกระทานในวันนี้คงจะสมควรเก่เวลาพราะได้ช่วยทําให้ท่านตัางหลายได้ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนบอยากให้เศร้าอยู่แต่ถึงแต่นานก็อาจจะมีก็ไม่เป็นไรเทวะท่านตัางหลายสร้างขันติปรมีอยู่ในหัวเงินบริณางค์โดนปาน้บัตินี้ได้นั่งโดนปานนี้เก่งหลายเติบอาตมาก็ยืนหนาไม่ได้เอาเอาเปรียบ เพราะเหตุ น, นั้นสมควรแก่เวลาแล้วข อ, อยุติทำนิกระาลงเพียงแค่นี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระ ร, รัตนตรัยรัตนตยาเตสะซา ด, ด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกระตุญญานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ส่องสมได้อบรมมาแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันและจะทําต่อไปจงเป็นภาระวะปัปปใจเอือ้ออํานวยนุ้นสท่นทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญหายเคราะหายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพบชดไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งความรักอันอบอุ่นในครอบครัวและสังคมพร้อมคนนั้นจะมีจิตใจอันสะอาดประวังสงบพบมรรคาอันบริสุทธิ์และสดใสเสกชีวิตของท่านให้โชดช่วงดุดดวงไฟส่องทางไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาในชีวิตปัญหาในหัวใจ โดยทั่ ว, ว, วการทุกท่านทุกคนเทนินจมีคนร่ำรวยสักสองร้อยสามร้อยคนในจำนวนคนห้าสิบห้าล้านคนเนี่ยแต่คนยากคนจนมันมากกว่าห้าสิบลานคนทั้งหมดนี่แหละที่เรียกว่าให้ใหญ่ล่นให้หน่อยสีบ่บ่อเต็มซึ่งความฝันข้อ น, นี้พระเจ้าประเซนที่ก่สอสนก็ได้ฝันหลากหลา ก, ลากมาต่างๆนานาแล้วก็แปลกประหลาดใจอยู่ ก็เลยได้มาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็แก้อย่างนี้เดียวนี้เรากําลังพูดถึงความเป็นนิครัฐบาลเองก็พยายามที่จะโฆษณาว่าดินี้เศรษฐกิจของประเทศชาติของเราเนี่ยไปรอดเลยแต่ถ้าเรามองดูลักษณะทั่วทไปของประชาชนชาวบ้านโดยทั่วทไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าคนที่มีความทุกข์ยากลำบากเพราะเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง ข่าวคณะปาเคลื่นบ้านเสร็จเด็กหนุ่มเด็กสาวชาวอีสานเนี่ยเกือบจะไม่มีใครอยู่บ้านอยู่ช่องปลอยให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อวิแมววีพ่อโอนแม่โซนทั้งหลายเนี่ยเฝ้าบ้านเลี้ยงงูเลี้ย ง, ยงควายเฝ้าไร่เฝ้านาะส่วนเด็กหนุ่มเด็กสาวก็หลั่งไหลไปที่มีโรงงานอุตสาหกรรมการพัฒนานที่ชนิดที่เกิดช่องว่างก้าวกระโดดในกรุงเทพจึงเต็มไปด้วยแหล่งที่เรียกว่าสลัม สลัมทั้งหลายในกรุงเทพนั้นแหลกคือแหล่งของชุมนุมชนชาวชนบทกําลังดิ้นรนสแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจจึงไปแออัดดัดยียดกันอยู่ตรงในแหล่งสลัมและในวัดของกรุงเทพทุกๆวัดก็เต็มไปด้วยคนบ้านนอกที่เรียก ว, ว่าแหล่งสลัมอีกแบบหนึ่งสลัมเพื่อการดิ้นรนในทางการศึกษาเด็กหนุ่มหนุ่มหรือพระหนุ่มเล็กน้อยจากภาคอีสานก็ดีจากบ้านนอกก็ดีจะหลังไหลเข้าที่กรุงเทพ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 ความคิดความหาความเข้าใจประสบการณ์ที่ผ่านพบคนละอ่านกันในขณะที่ลูกล้านหนุ่มสาวทั้งหลายเข้าไปทำงานทำการอยู่ในกรุงเทพเห็นไฟแสงสีเห็นความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลต่างๆข้างโน้นสิ่งยั่วยวนทางจิตใจทางประสาททำให้เด็กนี้คิดใหญ่ไฟสูงยากได้ยากมีอยา ก, ยากเป็นพ่อกลับมาบ้านเขาก็นั่งเมิบหมองความคิดที่จะกลับเข้ามาสร้างสรรค์สั ง, สงคมชนบทของตนเอง กับไม่มีมันก็เลยสวนทางกันเด๋นี้กําลังจะพูดกันไม่รู้เรื่องระหว่างพ่อแม่กับลูกเต้าทั้งหลายพวกกันคนละภาษาคนหนึ่งพูดภาษาในเมืองอีกคนหนึ่งพูดภาษาบ้านนอกความคิดความอ่านของพ่อของแม่นไปอีกทางความคิดความอ่านของลูกที่ไปสู่หางงเทพไปทํา ง, งานต่งางๆ่นคิดไปอีกอย่างในที่สุดมันก็นับวันที่จะทอดทิ้งบ้านช่องห้องหอจะพัฒนาจนบทเรียกร้องหาอีสานเขียวเอ้ยแผ่นดินทําเป็นดินทองอะไรเอ้ย เขาวขนนาปลาขึ้นบ้านแดนที่จะหันหน้ามาร่วมกันเพาะปลูกแอคทิคันเจอร์มาสร้างฟัังคมชนนบช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านของเราเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขากลังไหลกันไปตรงไหนพอจะหาได้อา้าวเกิดพายุกเกทลลมคนที่ตายมากที่สุดกลับไม่ใช่คนปักตายกลายเป็นคนภาคอีสานนี่แหละที่ไปจมน้ําทะเลตายลงเรือตายอะไรตายเนี้ย น, นึบ้างแห่ง น, นังเข้ายิ่งกว่านั้นเนี่ยเอาคนอีสานไปลงร่ําลงเรืออะไรหาปูหาปลาประมงเนี่ย ร้องมันเป็นเดือนเนเดือนกว่าจะมีเงินมีทองกลับบ้านแต่เสร็จแล้วสิ่งยั่วยวน ม, มอมเมาเขามันมีเยอะบางทีเท่าแก่บางคนอีสองผู้หญิงโสเภณีลงไปถึงเรือเลยไปให้กำลังจีกำลังใจเงินทองหมดกันในนั้นเงินเดือนออกก็หมดอยู่ที่ผู้หญิงนั่นหมดอยู่ที่เหล่ายาหน้านั่นนั่นกลับมาบ้านไม่มีอะไรก็มานั่งเมอมองที่จะคิดหาทางไปทํางานทางปากทางทางกรุงเทพโรงงานอุตสาหกรรมไปลงเรือไปดูแหล่เรือปลาม o n เอ้ยอะไรต่างๆ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 บุคคลที่เป็นนักเศรษฐกิจก็กมุ่งไปที่ทางเศรษฐกิจคนร่ำรวยมันจะมีมากคือรวยมากแล้วไม่ใช่คนคนร่ำรวยมีหลายคนก็คนไม่กี่ตัวนั่นแหละที่จะมากขึ้นได้ยาร่ำรวยมากขึ้นแต่คนยากจนเป็นหนี้เป็นศินจะมากขึ้นทั้งๆที่พ้นผิดท้องถิ่นเกษตรอะไรต่างๆดีมากข่าวปลาอาหารใช้ได้ฝนฟ้าก็ตกพอจะทำไร่ทํานาได่เงนินได้ทองกันอยู่แต่ว่าความต้องการมันมีมากกว่าสิ่งที่ได้เรียกว่า อ่าดีมันมันท่วมสัพพลายปุง่ง่ายดีมันมันท่วมสัพพลายได้มาเท่าไหรมันก็ไม่พอเพราะบุนคคลเหล่านี้ได้รับการปลุกเร้าทางวัตถุนิยมตามันก็เห็นภาพในนั่งในโทรทัศน์ในละครแล้วก็เห็นของจริงอยู่ในกรุงเทพในสังคมเมืองหลวงกลับมาบ้านนอกมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็คิดอยากได้มีเงินเท่าไหรมันก็ระดมทุ่มเทลงไปซื้อแฟชั่นต่า ง, างๆอะไรอ้อ คนบ้านนอกอยากมีรถมีเรืออยากมีโทรทาทั์มีพัดลมตู้เย็นการบริโภคคือบริโภคทางวัตถุที่เรียกว่าคอนซูเมอร์คอนซู r อร์เนี่ยสอดใส่ตสังคมบริโภคเรียว่าคอนซูอร์แมทรลเลคือบริโภคทางวัตถุมากขึ้นมากเกินกว่าที่ได้มากินทางปากไปไม่พอมันจะกินทางตากินทางหูกินทางจ ก, กูกปากก็กินข้าวไปตา ก, ก็จะดู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 เน่ในตู้เย็นในบ้านในช่องเรามีสเปรย์ฉีดเย็นเย็นหอมหอมอะไรต่างๆน้ําหอมขวดและเป็นพันเป็นหมื่นสามหมื่นก็ซื้อมาใช้ทีคนรวยสติลมิเลทได้อ่านพบหนังสือพิมพ์บาทน้ําหอมชื่อดังเข้ามาในเมืองไทยขวดละสามหมื่นบาทคุณยญิงคุณนายทั้งหลายซื้อมาใช้คิดดูควดละสามหม่นดียอดเดียวเดี๋ยวซื้อข้าวได้เป็นกระสอบสำหรับคนยากจนอันนี้แหละที่เรียกว่าให้เงินให้หน่อยบ่อเต็ม คนรวยรวยมื่อร่นแผ่นดินแต่คนยากจนนี่จะว่าอย่างไงจนกันจริงๆมันไม่มีอะไรจะอยู่จะกินเป็นหนี้เป็นสินกันมากมายกายกองทั้งหมดนั่นแหละเทอะทะหายง่ายร่นหายหน่อยบ่เต็มตามปกติแล้วในถ้าจะว่าไปธรรมชาติตั้งหลายมีสิ่งของทั้งหมดไว้ในโลกนเพียงพอที่จะให้คนเราเนี่ยอยู่กันได้อย่างมั่งมีสีสุขแบ่งกันอยู่กันกินคนรวยมากๆแล้วมาแบ่งกันครับคนจนคือไม่เอาเปรียบเราไม่ต้องหามาแบ่งก็ได้ไม่เอาเปรียบไม่ขูดไม่รีดอะไรต่างๆเนี่ย มันจะพออยู่พอดีนในโลกนี้ธรรมาชาติมีไว้พร้อมเพียงสําหรับทุกๆคนแต่ในนี้คนรวยมันกอบโกยมากจนเกินไปฝากธนาคารเมืองไทไม่พอต้องบินไปฝากธนาคารเมืองนอกในนี้สุขคนรวยก็ไมมีความสุขเหมือนกันคนจนก็ไม่มีความสุขเหมือนกันคนรวยก็เป็นเป็ดติดแอร์ก็หิวกระหายเรียกว่าวิมานนี่กัเป็ดเป็ดอยู่บนวิมานในห้องแอร์ดังที่ในพระไต่ปีดกเป็ดต่วัตถุเรียกว่าวีมานนี่กเป็ดเป็ดที่อยู่บนวิมาน ได้มากเท่าไรไม่พออยากจะตายมาเกิดใหม่ให้ให้ทำบุญอีกมากๆเพื่อจะได้รวยขึ้นมากยิ่งกว่าเก่าความจริงนั่นจะเป็นวิมานนี่กับแปดอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจเทียมมากๆแล้วก็หวาดกลัวเพราะมันยไม่สราบว่าไปโกงใครมาไปเอารัดเอาเปรียบใครมาโกงทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมทั้งทั้งภาษีทั้งค่าขนส่งหักบวกรบคูณหารลงไปแล้วก็ยังมาเมงมาเอากําไรกับคนยากคนจนนี่มากๆอย่างเงี้ย มันก็อยู Falcon, ่ไม่เป็นสุขที่พุทธิยานบอกว่าเนกาซีระเตสุขข่ำปูกอโปรยินเพียงคนเดียวไม่พบกับความสุขเศรษฐีมีเงินเป็นพันๆล้านกินคนเดียวไม่พบกับความสุขในที่สุดไปไหนมาไหนมันก็ยังหวาดกลัวกลัวเขาจะหลอบข่าหลอบยิงกลัวเขาจะล่อมมาจับเรียกข่าไทยในที่สุดคนเลยจ้างมือปืนแห่เป็นขยองขยองเรหยวว่าเป็นอสุรกายติดแออสุระแปลว่าไม่ก้าหารขี่คาดว่ากลัวตายยาหมูเราที่ขี่คาดว่ากลัว ก็เลยติดแอร์ไปไหนจ้างมือปืนเป็นขยง n ถึงขนาดนั้นยังไม่ไหวถูกยิงตายวางระเบิดกันตายก็เลยตายติดแอร์อกีกเหมือนกันทั้งหมดนี้เราตกนรกติดแอร์เป็นเป็ดติดแอร์ตกนรกติดแอร์อสุรตายติดแอร์ง่อจนเป็นทุกข์เป็นอานเป็นเนรชาติติดแอร์ในข้าของมนุษย์เดี๋ยวมนุษย์สติระชานโนมนุษสเปโต มนุษย์สสุรากาย ο, มนุษย์สิร ο, ิใโยตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเดราาัจฉานตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นอสุรกายตัวเป็นมนุษย์จิตใจตกนรกทั้งนั้นที่ร่ำรวยมันตกนรกติดแอกอดนี่ที่เรียกว่าหใหญ่หล่นหหน่อยบอดเต็มเพราะความโลภที่มีคนที่เต็มไปด้วยความชั่วลาลขาดความดีขาดความเมตตาป่านนี้มึงก้าเปรียบกัน แล้วคนนี้โง่ก็โง่กันล ง, งไปอย่างบ้านนอกบ้านนาทั้งหลายเนี่ยทำนาได้ข้าวได้ปลาอาหารมาทำบุญสุตะขอละานกันยอกไก่แต่สิ่งที่เป็นบุญนั้นนิดเดียวจะแจกข้าวแก่ผู้ล้มหายตายไปตาทีข้าควายไปตัวหนึ่งราคาอ่ะพันหกพันจ้างนั่งมาอีกหนึ่งจอโว้ยราคาเป็นสองพันสามพันหลังจากนั้นก็นกนกนซื้อเหล้ามาเลี้ยงกันกินอิ่มแล้วรากออกอาจเจียนออกมางกินไม่เสร็จแล้วไปทำบุญสร้างซื้อกองบุญมาทำบุญรถ เทลาพิเศษฮดสงให้แกพระดีไปดีพระก็อเอาไปขายต่ออีกซื้อโทรทัตบ้างเอาไปซื้อเล็กบ้างไม่รู้จะเป็นบุญตรงไหนชาวอีสานเราทำบุญกันอย่างนี้เหมือนเลยชิบพาไว้บอดเอาบุญพระเวททีดนึงข่าควายเป็นสิบตัวจ่างนังจ่างมอลำหมูซื้อเหลากินสามสิบสี่สิบเทถ้าอย่างนี้หมู่บ้านร้อยหรือสองร้อยครอบครัวคิดแล้วเงินจะต้องออกจากบ้านของตนเองเนี่ย เป็งแสนในบุญพระเวกทั้งหนึ่งบุญกระถินครั้งหนึ่งซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยทีนี้ถ้าหากเราจะคิดว่าการทําบุญชนิดนี้เนี่ยลองทําให้มันสนุกดูเอาเงินจํานวนที่ซื้อควายมาค่ากินซื้อเหล้ามากินจากนั้นจากหม้อลํามาดูนึงเลิกมันเอามารวมกันแล้วามาตั้งเป็นสากลหมู่บ้านงานหนึ่งๆนี่เราต้องเสียเงินออกจากบ้านเนี่ย เป็นเส้นแสนนี่ลองคิดดูถ้าเอาบุญพระเวทีงเงินเสียฟ ร, ฟรีไปนี่มีน้ำซ้ํายังเป็นโครคภัยไข้เจ็บเพราะเมาเหล้าเมายาข่าตีบีบวยเข่าคูกเข่าตารางกันคอหักตายเพราะขี่รถเมามอเตอร์ไซค์ชิ่งเหล่เาเนี้เราเอาเงินจํานวนเนียบออกมารวมกันแล้วอามาตั้งเป็นสหกรณ์หมู่บ้านซื้อของมาแล้วก็มาค้ากันเองตั้งกรรมาการขึ้นเอาราคาถูกๆกันไม่ต้องเอากําไรมากมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรียกว่าสร้าง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 เอากําไรไปแล้วสาบาทห้าสิบคิดค่าค้นทรงคิดค่าภาษีที่เขาจะต้องเสียให้รัดคิดค่าอะไรต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยยังมาบวกกาไรเพิ่มมาไปเราตายลูกเดียวมีแต่แบกแบกทั้งค่าคน้นทรงแบกทั้งค่าภาษีที่คนที่เขาขายเขาก็ลงทุนซื้อมาแล้วเอากําไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาเอามากๆด้วยเพิ่มทั้งค่าค้นทรงค่าภาษีส่วนลดนอะไรเขาเขาซื้อมากๆเขายังมีส่วนลดจากมีเดอร์แฟคทอรี่จากโรงงานของเขาเนี่ย เพรเหตุนั้นไหใหญ่หล่นไหาน้อยบ่อเต็มหใหญ่เอาหมดทุกอย่างค่าภาษีเอ้าหักมาเป็นกําไรด้วยค่าขนส่งหักมาเพิ่มเป็นราคาขายพวกเราไอ้หน้อยเนี่ก็ซื้อไปเถอะขายข้าวไปซื้อขายปอไปซื้อขายมันไปซื้อลองคิดดูพอขายมันใหม่ๆขายข้าวใหม่ๆได้ใหม่ๆเอาหนังมาใช้ ผู้เด็ก10บาทเด็ก5าบาทผู้ใหญ่สิบาทคนที่เอาหนังมาใช้มาหล่อลวงเอาเงินของเรานั่นไม่ใช่ใครไม่ใช่คนยากคนจนเจ้าของบริการเหล่านี้มีแต่คนร่ำรวยหายใหญ่มันก็เลยล้นไปเลยหายหน่อยก็ขาดแคลนบอ่อเต็ม ในหนังในละครนั้นมันสอนอะไรท่านหลางหลายรู้ไหมทาระกันมันก็แก้ผ้าเขาไปกอดกันจูบ ก, กันถาชังกันมันก็ชักปืนกันไปไล่ยิงกันฆ่ากันทั้งหมดนั้นมันส่งเสริมกิเลสโลภะโทสะโมหะสั่งสมอบรมแต่สิ่งเหล่านี้เราก็เลยอยากจะเป็นอย่างนี้สาวรุ่นใจแตกสาวใหญ่ใจถึงแหม่หมายใจปั่มเกิดมีขึ้นผู้หญิงผัวเพอกระขายเนื้อขายตัวเล่นผายเล่นให้โลผู้หญิงเอาละสีดังที่กล่าวมาแล้ว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 มันก็เลยบูชาอาบายามุกอยากรวยทางรัดซื้อเหล็กซื้อหัวซื้อไม่ทุกก็เล่นการพนันเล่นการพนันเอาทางตรงไม่ได้ก็เอาทางอ้อมหัวจุ่มใส่กันทั้งวันแบบนี้แต่จ้องจะกินตับกินไตกินไส้ยินพุงกันไม่มีใครที่จะรักกันจริงในวงการพนันนั้นแต่เราก็จ้องเมื่อเล่นกันไม่ได้สูญเสียขาทุนมากกับลักสกจอคอไม่มีอะไรจะกินนี่ลักกันป้อนกันหนักหนาข้าวกดมองกดไม้บ้านเมืองก็ไม่ต้องเขารบกันละที่นี่อืม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 ข้าราชการไม่มีสินทำก็เอาเปียบพ่อค้าพ่อค้าถูกข้าราชการไม่มีสินทำบีคูรีดทั้งพวกภาษสองภาษีแม้แต่แผ่นดินที่จะขี้ดึงคนโบราณทัานหวายเนะ่มัน ม, มีทางกินมันก็มากินคนยากคนจนลองคิดดูสิเอาภาษีเขาเท่านี้เขาก็ไปคิดภาษีต่อสมมติว่าเขาซื้อมาห้าบาทค่าภาษีหนึ่งบาทสมมตินะแล้วค่าขนส่งห้าสิบตังเป็นอันว่าต้นทุนเนี่ยหกบาทห้าสิบเขาซื้อมาห้าบาท ค่าคนส่งอีกห้าสิบตังค่าภาษีหนึ่งบาทสมมุตเนี่ยก็เป็นต้นทุนหกบาทห้าสิเขาถ้าเอามาขายให้คนยากคนจนโดยไม่ต้องเอ็นดูปานีกันล่ะฉันขายเลยสิบาทนี่ยังถูกที่สุดก็ได้กาไรสาบาทห้าสิบอย่างนี้คือเรียกว่าเมื่อข้าราชการไม่มีทำก็ไปเบียดเบียนพ่อค้าเมื่อพ่อค้าไม่มีทำก็เบียดเบียนชาวไร่ชาวนาเมื่อชาวไร่ชาวนาได้รับการเบียดเบียนไม่มีทำก็ไปเบียดเบียนธรรมชาติดินฟ้าอากาศอ่ะมันแรงมันทุกข์มันยาก อะไรก็ลงไปอย่างนี้มันจะเป็นอีทัพปจียาตาเป็นกฎอันนี้ส่งไปให้เกิดอันนี้อันนี้อันนี้ที่พระพุทธญาณว่าอีทัปปจียาตาอันนี้เป็นปัจจัยให้อันนี้อันนี้จะเกิดขึ้นอีมัศมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอีมัศมิงกสงติอีทางหน้าโหติถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งก็ไม่มีมันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นข้อนี้ที่เรียกว่าหายเงี่ยล้มหายเงี่ยล้มหาหน่อยบอ่อเต็มก็หมายว่าคนไม่มีสิ่งมีธรรมคนรวยจะเป็น ไม่เป็นเศรษฐีเจ้จบุญมันจะเป็นนายทุนหน้าเลือดเอาเปรียบคนจนจนหายเงินล้นีน่กลงไปกําไรนี่ปีนี้พวกเศรษฐีนายทุนทั้งหลายมีกําไรเป็นสองสองร้อยเปอร์ซ็นสามรอยเปอร์ซ็นตแต่คนจนทุกลงไปอีกเป็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นอีกเหมือนกันมันก็จกได้เอาเปรียบกันละทีนี้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อมันไม่มันถูกเอาระเอียงมากขึ้นมันก็รักกันปล้นกันมากขึ้นอย่างนี้คนหนึ่งก็คนทํางานทํางานเกือบตายอีกคนหนึ่งก็ไปลามไปเลียไป สำออยเจำนายก็ขึ้นเงินเดือนสักสองขั้นสามขั้นไอ้คนดีดีซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานกลับหมองข้ามพอคนนี้ใหม่กินเหล้าเมายาไมา่ซูบุรี่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานกลายเป็นแกะดํากลายเป็นบุคคลที่สังคมไม่พึงปรารถนาคนดีๆอย่างนี้อย่างข้าราชการบางคนตรงชิ้นจริงๆผูกผูกพวกข้างหลายเกียดชังหาว่าไอ้หมอนี้ ม, น ม, น ม, นมันมันมันมันไม่ดีในความไม่ดีของเขานั่นคือเขามีแต่ความดี ไม่มีเชื้อให้ความชั่วไปเพาะอยู่ในใจเขาไดยคนชั่วก็ไม่สรรเสริญคนดีอย่างนี้เมือนก็เลยอุปมาเหมือนหน่วยหน่วยไหที่คนโบราณว่าอุปมาเหมือนไหหน่ว ย, ยมือนไ ห, หน่อยบอเต็มขังหนามบวขาดมันไม่เต็มอุปมาเหมือนหหน่วยบอดเต็มขังหนามบัดวญามการไต่เกินไว่วิ่งแลนด์มันหักแสนหยากเยี่ยนเพี้ยนส่งซอยหนายในข้าวนั้นจังมีโจนผู้ไลยซิ่งหยาดของหลวงทั้งกระท่วงเศร้าขนมุนมีตีพุ้นโจรผู้ไล่ซิ่งหยาิของหลวง คำว่าเขาสิงหยาของหลวงอาจจะเป็นโจรผู้ร้ายในคาบค่าราชการก็ได้คอรับชันช่อลาดบางห้วงเงินผงเงนินพันออกมาในกลายเป็นเงินผ่านกินกันเหมือนกับน้ำแข็งเปื่อยหยดหดจึงบอกว่าโจรผู้ร้ายซิ่งหยาของหลวงทัานกระซุวงเศร้าขนมุนมีตีปุ่นข้นเมืองห่อนนอนตาบอดเมวยการเก็บสวยนับตั้งแต่มืองศรห่อนห้อมถอนเขาใส่สัง มอให้ยังอยู่ข่างเทปทินดินดอนทั้งอกรหน้าสวนหมวอนล่งบะมีไหวผ้าสีเกลือผ้าสีไหม่ใบยากันราฟินฮอดขี่ดินบอนขี่น้ำจิให้สรงหลวงเจ้งว่าให้ปากกว่างล่วงหลอกกินไตคือดังไข่กินบีเมื่อกล่าวข้าวนั่นอัศจรรย์นอดดีกามมี่เจี๊ยากข้าวโอ้ให้ฟงมูให้ลาบปีนองฟังแหลวให้หำห่อนแนทพรานมาแต่คนโบราณ น, น, นว่าอย่างนี้ความฝันข้อที่แปดขอภหยความฝันข้อที่แปดได้ผ่านไป ต่อไปก็เป็นความฝันข้อที่เก้าซึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศสนฝันเอกอย่างเก่านยซึงภาษาบาลีบอกโปคลานีจักข้อนี้ฝันเห็นสระฝันเห็นสระสระโบคลานีภาษาไทยของเราดีกว่าสระโบคลานีสระดอกบัวข้างนอกที่ริมขอบสระนี่มันเป็นท่าน้ำที่ใสสะ แตข้างในมันขุ่นๆเรียกว่าข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรงในข้อนี้คนอโบราณอีสานบ้านเราได้เขียนเอาไว้ว่าข้อที่เก้านั้นองค์พระบาททอนเท่าสร้างประหลาดข้มฝันอัศจรรย์ในใจจังไดบ่เคยพอ่อขอประร่องทำเจา้ญญาะสละยานตัดซองเนธอนบ่สันฝันว่าน้องบวกน้ำกลางข่นขอกใสมีทั้งม้วนดอกใหม่เดืระดาษของหอมซ่อมเ บ, บ่งบานของเบิ่นหลวงเคืองตางจนขุน่นบ่สัน ความฟันเน็ดได้แก่ฝุงค <In historia> ุ้นขาเซน่าสั่นผู้ใหญ่ใจบัวไซหลบเหลี่ยวเที่ยวสอดแต่ไพ่เมืองโกงโกงโกงเขาละเอาเปรียบพวกง่ายๆเวลาเมาื่ะความฟันเน็ดได้แก่ฝูงค้นขาเซน่าสันผู้ใหญ่ใจบัวไซหลบเหลี่ยวเที่ยวสอดแต่ไพ่เมืองทางปากนั่นเพิ่นเบาเกี่ยงเสียงกระมวนข้าจ้าหาแต่คั้วมาตัวหนวกินพ่อแล้วนักเมื่อไก่กันแล้วคือแก้วไกมารัฐบาลกบฏตั้งเทียงหมัดหันปิ่นเปลี่ยนแปลงเปรียบเหมือนดัง น้ำขุนต้มคุนกลางวังขุนบ่อฟัง่งข่วมขุนมุนมีตีมั่งวัดสันทะเลาะกันเองขุนกับขุนรัฐมนตรีก็ดีคณะรัฐบาลพอดีมีโอกาสอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจวัฒนนาที่บริหารบ้านาเมืองจ่ว่าขุนบ่อฟังความขุนที่มุนมีตีมั่งยานแต่ขานเมืองห่อนนครคนบนหลวงฝนบายยานไปเมืองเก่าห่างไพ่หนักศีาะศูนย์วัดสัน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 บนหลวงยานแต่เมื่งเก่าห่างไพ่หนาสีสาบัูนหลกสีเกิดบุ่นเขียวคุณอลาหนุนปวงประชาชนคุณศีนางโอข้างโอจักเหม็นกรำสังโอโอนอสิผักไผไไไ่ผีศีทนอยู่ในกินหญ้าจังคุ้ยว่าฉันไผ่ศมากินหญ้าได้เหมือนควายเพื่อไงนี่จะเหม็นการอยากดุยปวดอาดคว้ยก็น่านับหลาสตรดอ น, นอนบัเต็มตาลับก็จนมากการแต่น้อยนึงเก็บ เอาใหม่อาหารกินสิ่ตอนพ้นละเมืองเดือดห่อนนอนเสียงดังน้ำเขาและนำ้ำตำถาว่ากินของอันใดมันก็มีผ้าสีคูสุอนันคันเตียงเสียงประชาชนห้องข้างโอ้ยจึงมันอยากปากไปหลายกะหักปากโบได้กลัวยยานแต่เพิ่นไหมข้อนี้มีความหมายหลายด้านที่เราฝันเห็นสะบอกกรณีไสอยู่ในท่าน้ำริมขอบริมฝั่งขอบเนี่ย น้ำใสแต่ข้างในกับขุน่นข้นเอาง่ายๆในส่วนด้านวัตถุถ้าเราออกไปอยู่ตามบ้านนอกขอกนาะความสงบร่มเย็นความเป็นพี่เป็นน้องความเมตตาบาลีกันอย่างมีเด็กๆไปอยู่ตามบ้านนอกแต่ไปอยู่เข้าไปลึกๆในป่าทางภูงวัวทางบัน่นโนนสํารานเอยบัานบ้านนี้อย่างแดงอย่างเรียนแถบนี้ใกล้ๆผู้งัวในแขกแพรเพอบึงของหลงเพื่อเซกาเนี่ย แถมนี่น่าประทับใจถ้าเรานั่งรถไปเห็นพระพิสูจนั่งรถปิกอัพไปฝุนตาลรอบเด็กเลิกโรงเรียนมาเห็นพานั่งอยู่ในรถด น, นั่งคุกเข่าลงกลางดินพนมมือไหว้แม่เห็นแล้วดีใจปลื้มน้ําตาจะไหลออกให้ได้ว่าเด็กเหล่านี้ดีงามเลิศเกินแต่พอหันไปดูผู้ใหญ่สิทีเดียวฮวผู้ใหญ่ไม่ต่อคุณงามความดีให้แก่เด็กเด็กจะเิกเอายาสมัณเฆเทมเาบ้านในป่าในเขาไม่มีไฟฟ้าเข้าไปเอา แบตเตอลี่ไปตั้งเอาทีวีมาตั้งในวันเสาร์เมรุทิดหัวจุ่มใส่กันเล็ดมวยตู่ไปเวลาใดเห็นกินเหล้ากันอยู่อย่างนั้นโอ้เห็นแล้วสมเพ็ชรพันาแต่เด็กๆนั้นดีมากเด็กๆ เ, เปรียบสเสมือนขอบฝั่งเหมือนขอบฝั่งสะตรอมาเหมือนตรงกลางของสัพพระจ่าประสเสนที่โกศลฝันว่าไม่นาฝันฝันเห็นสระน้ํำทางนอกนี่สดใสข้างในก็ขุดข้น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 อาจจมาคิดเห็นทางประเทศอินเดียเขามี forest school หรื school forest คือโรงเรียนป่าพวกชาศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์เดี๋ยวนี้เขายังรักษาพิธีที่เรียกว่า school forest หรื forest school คือโรงเรียนป่าเขาเอาเด็กโตอายุประมาณ1ิปี อย่างนี้เข้าไปอยู่ในป่ามีครูบาอาจารย์พวกหรลือสีพวกนักบวชนักพจนเป็นผู้แนะนำพรฒนสอนอบรมกิริยามารยาทต่างๆเขาเรียกว่า f โฟล์ s c h o o โรงเรียนป่าเพื่อจะให้เด็กของเขาเป็นเด็กที่ดีซึมซาบอยู่กับธรรมชาติเรียบง่ายสอะคล้องกลมกลืนไม่ตื่นเต้นร้องไร้กับวัฒนธรรมแห่งวัตถุนิยม ให้เขาเกิดลักษณะที่ว่าเพลนรีฟิงหายจริงจริงเดี๋ยวนี้ที่วัดอาดามาเนี่ยมีจํานวนมากแล้วเป็นยี่สิบแล้วเด็กตัว เ, เล็กๆน่ารักพ่อแม่ไม่มาไม่เป็นไรพอเลิกโรงเรียนก็พากันมาแล้วพากันมาวัดวัดไปอยู่ในป่าไกลๆมาถึงมีอะไรก็กินข้าวหลังจากนั้นก็าถูสาราทําสะอาดอาบน้ําอาบถ่าพระเนนเปลี่ยนกันเป็นครูบาอาจารย์แนะนำพัมสอนฝึกกิริยามารยาเชาวมาพระตื่นขึ้นเด็กก็ตื่นมาด้วยมานั่งสมาธิ นั่งนยเนยเด็กมันก็นอนหลับนอนหลับก็ยังดีกว่ามันเดึกพอพระหันทําวัดสวดมนต์ตอนตีสี่มันก็ลุกขึ้นมาสวดมนต์อีกพอสว่างมากอบมาทําสะอาดศาลาทาสะอาดที่อยู่อาศัยหลังจากนั้ น, นก็กินข้าวสามเณรพี่เลี้ยงบางทีพระส่วนมากจะเป็นสามเณร น, นึ่งข้าวหุงข้าวปลากระป๋องไปเทศมาลตรงนั้นมาเลี้ยงเด็กด้วยแล้วก็เลี้ยงพระเล็้ยงเนด้วย เด็กกินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยล้างห่วยล้างชามเตรียมอาหารใสร่เป็นโต้ก็พร้อมกันมากราบมากรา บ, าาบเรียบร้อยแล้วก็เดินไปโรงเรียนเอาอาหารไปกินด้วยตเกเย็นก็กลับมาทําอยู่อย่างนี้แล้วกลับมากันคืนกับม า, อ, าอ่านหนังสือทําการบ้านในวันเสาร์วันอาทิตย์เด็กเหล่านี้กินข้าวเวลาเดียวเหมือนกับพระกินในกาลังมังอันเดียวหนุ่มข้าวหอมข้าวสมาทานศีลแปดแล้วก็พากันหัดทําวัดสวดมนต์สวดมนต์แปลอะไรต่างๆแล้วแต่พระเนรท่านจะสอนให้ อย่างนี้เราเรียกว่าสกู o ฟาร์เรสหรือว่าฟาร์เรสกูโรงเรียนป่าซึ่งศาสน า, าพราหมศาสนาฮินดูเขายัางรักษาประเพณี้ไว้อยู่อย่างนี้คือเราต้องการปูพื้นฐานให้ดีอย่างนี้เรียกว่าข้างนอกเหมือนขอบคน้นที่เรียกว่าสระน้ําเนี่ยทางทางริมทางนอกของมันเนี่ยมันสวยงามมันใสแต่ข้างในมันขุ่นขน้นเดี๋ยวนี้ตอนเด็กๆเราสามารถที่ทําให้สดใสได้แต่แก่มาไม่แน่โตมาไม่แน่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 คงคำขวัญที่พูดออกมานั้นฟังไพเราะแต่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะมาได้ฝึกเด็กมาแล้วดีแต่โตมาแล้วมันก็เสียเพราะผู้ใหญ่ไม่พามันดีสภาพแวดล้อมเป็นพิษเป็นภัยที่พวกฟรังก็ บ, บอกว่า the environment no less than heredity to make the individual character i s k s เขาบอกว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่แพ้กับกรรมพันธ์ ที่จะทําให้นิสัยใจคอของบุคคลในเปลี่ยนแปลงไปท่านนักหลายลองคิดดูเดี๋ยวนี้เด็กเราจะฝึกยังไงให้บันดีบันดีได้แต่โตมาสักหน่อยมันก็เสียพอผู้ใหญ่ไม่ดีใครเป็นเจ้าของโรงําใครเป็นเจ้าของนังเจ้าของละครใครเป็นเจ้าของดิสโก้ทอล์คดิสโก้เท็ซิงย่ om, มอมมาเมาทําลายจิตใจของเด็กมีแต่ผู้ใหญ่นี่เรียกว่าข้างนอกสะนั่นข้างนอกใสแจ๋วเลยแต่ข้างในมันขุนข้นถึงคนโบราณท่านผู้หญิงมาข้างนอกมันสดใสข้างในมันขุนข้น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 หลายลองคิดดูเดี๋ยวนี้ในป่าหอมในเมืองเหม็นในป่าในบ้านนอกเย็นในเมืองร่าร้อนไปในกรุงเทพหายใจไม่อิม่มดอกปงัปงอับปังอบได้บ้อนยูคือป่าเนี่ยแตมาไปอยู่ไม่ได้ถึงสาวันโอ้ยตายแน่แน่ต้องออกมาเดี๋ยวนี้เมืองใหญ่ใหญ่อย่างญี่ปุ่นก็ดีเขาได้ซื้ออากาศหายใจแล้วนะในโรงงานอินดัส t r ีใหญ่ใหญ่เนี่ยเขามีทุงอากาศให้หายใจปานดมกาวอะไรไรนี่เขาจะมาอยู่ประเทศไทยหาซื้อดินซื้อยาอะไรต่างๆในเมืองไทยของเราเนี่ย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 ข้อที่เก้านั้นฟันเห็นที่สระมันมีแต่ความใสข้างนอกแต่ทางในมันขุ่นข้นที่บ ว, ว่าฟันว่าน้องบวกนม้มการขุ่นขอกใสมีดอกไม้เดรดดาษดวงหอมซ้อมเบิงว่างเบิงบ้งหลวงเคืองการจนขุ่นข้นความฟันหนีในกระขุ่นในกระฟุงขุณขนข่าเสนาสันปูใหญ่ใจบัใสาหลบเหลี่ยวเที่ยวสอดแต่ภายเมือง เจ้าใหญ่นายโตจิตใจอย่างหนึ่งแต่คำพูดคำจาเป็นอีกอย่างหนึ่งมันก็ช่อโกงขอรัชชันชอ่อลาดบังหลวงเนี่ยเป็นอย่างนี้เอาละข้อนี้ก็ควรจะต้องผ่านไปเวลาของเรามีน้อยข้อที่สิบข้อที่สิบภาษาบาลีว่าอปาตังอปากังแปลว่าไม่ได้หุ้งทำไม่สุกข้อที่สิบองพระบาทแจมเจ้าฟันประหลาดเลือหลายฟันเห็นฟุงคนไส้ก่อไฟหุงเขาพอเมื่อเตาไฟหอดฟืนท่อนเฮือหุง หมอเข่าหงดเดือดกลุ่มสมเข่าใส่เต่าบาดว่าเลี้ยวเบ่งเข่าล่างบอนบวนสุขล่างบอนแปวไฟลุกจีร่อนดำปีบองพระมุนีเจ้าะโซลัญตัดซองบอว่าข้องเหีดบบานผ้าหนาสีเสื่อมซูลหลกสีเกิดเดือดบุญเขียวคุณมั่วมองค้นผู้เป็นขุนบวทำตามค้นล่องยองยี่จีป่นเอาแต่บุญภัยได้ทำไปห้อยยางบอกว่าท่างเสียงเข่าค้นเถ่าบอไปน้าพ่อเมื่อสังการลำ โนต่ำล่งไปมนุษย์ในแดนดินบ่อเทียงสั้นหันกิ่งยิงบอ่อนิ่มเยียงย่านผัวโตปล่อยจมฟังอารมณ์เรื่องเบาเกินเถ่าผ่านหัวฟุงหมู่อากาศกลัวปิ่นเปลียนวินหัววันเดินปีกระเคื่อนข้าวนาหนาวห่อนเป็นปกระเคื่อนข้าวนาหนาวห่อนเป็นน้ำสังคานข่อนเดินปีบ่คือเก่าองค์พระพุทธเจ้าห้องว่เรล่ามากต่อไปหอดเดินหาฝ่าลวงเดินหก ฝนบอตกห้วยห่ำปลาดงพคงออดล่อไปทั้งเดือนเก่ า, นาหาานาวมาฝาดลวงมีตะล่มลวงตอ่งปินปิวเปียงปินไปเป็นน้ำหลอกของเฮาไก่ขอนเคืองศาสนาเคืองขอนศาสนาพุทธมนุษย์กวนโลกากลางวันหลกค้นเฮาห่อนผ้ า, นากันซ่อมดูทอนขั้นบกคือคว่ำพระองค์ว่าไก่ว่าศาสานาของพระพุทธเจ้าเฮาข่วนหากสิเห็นเจ้าเอ้ยอันที่คนเวลานั้นพูดอย่างนี้นะ ด้วอย่างนี้นั่นเขียนไว้อย่างนี้แล้วก็บอกว่าซึ่ ง, งในในภาษาบาลีบอกว่ า, าปากังอาป่ากังนั่นหมายถึงว่าะหุงข้าวไม่สุกหุงไม่สุกคือพระเจ้าประเสนที่ก่อสนในฟันเห็นคนคนหนึ่งกอไฟขึ้นแล้วก็หุงข้าวข้าหม้อเดียวนั้นงานสุกสุกดิบดิบแล้วก็มีบางเกาะแฉะ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 ทั้งบ้านในทางภาคอีสานฝุ่นตาลบอบตลาดไม่มีน้ําที่จะให้งัวให้ควายกินอะไรพวกเนี้ทั้งหมดนั้นก็คือว่าคนเราไม่มั่นคงในศิลปในธรรมสังกาล่ําต้นดำล่องไปมนุษย์ในแดนดินบอเทียมสั้นหันเก่หญิงบยงยงอยำเยิงหยาดคู่วัวโตปล่อยจมอู้ยิงก็ไม่กลัวผู้ชายได้๋นี้จะหนุ่งกางเกงทําอะไรมันเป็นผู้ชายไปหมดไม่กลัวทั้งนั้นฉันก็ทําได้ไหวฟังอารมณ์เรื่องเบาเกินเถาพันหัวฟู้งมูอากาศขวบเปลี่ยนบินวิยนหัว อากาศกล่วเปียนปิ่นเปียนเวียนหันวันเดินปีเคลือนข้าวนาวฮ้อนเป็นน้ำสังคานข่อนเดินปีบอคือเกา่าองค์พระพุทธเจ้าห้องวอกเหลวมากอันนี้ท่านในพูดไว่าถ้าท่านไปเปิดพระไตรปิฎกในเรื่องทำ ม, มิกระสุดก็จะได้พบที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเรื่องคนไม่มีสินมีธรรมมันสั่นสะเทือนแผ่นดินแผ่นฟ้าดินน้ำไฟลมไปดูสังยุตตานุตรานิกายท่านจะได้พบท่านบอกว่า สุริยะจันหิมาปริวัติตันติวิสัมมังพระอาทิตย์ประจําก็จะหมุนเวียนไม่สม่ําเสมอสังหานขอดเดินปีบวกคือเก่าในหันวายนี่ว่าตาวายันติวิสัมมังปริวัติตันติลมก็จะพัดไม่สม่าเสมอหมุนเวียนไม่สม่ําเสมอหลังจากนั้นฝนก็ไม่ตกต้องตามระดูการนี่เป็นอย่างนั้นคนเราไม่มีศีลมีธรรมยิ่งไปกว่านั้นในคําที่เรียกว่าฝันเห็นหมอด ข้าวสุกสุกดิบดิบบางแห่งก็ไม่บางแห่งก็แฉะเอาความพอดีหายากเดี๋ยวนี้ถ้าจะดูคนเราในสังคมนี่มันมีคนประเภทสุกสุกดิบดิบประเภทไม่เกลียมประเภทที่ปเปียกแฉะเรานี่ยังยังมีให้เราเห็นบางคนก็ดีดีแต่ก็มีน้อยแต่ส่วนมากมักจะเกินดีไปอย่างนี้มันยังมีคนเปียกเปียกแฉะดิบดิบสุกสุกบางแห่งก็ไม่เกลียม เอาใกล้ๆมาแม้แต่ในเรื่องราวของทางศาสนาของเราก็เหมือนกันเฮิร์มันดูพระสององค์เจ้านักการศาสนาก็เหมือนๆกันมีพวกเปียกๆเกฉะเฉ ะ, ฉะพวกไม่จนเกลียก้ยงก็มีอีกพวกหนึ่งก็ดิบๆสุกๆุดูอย่างหนึ่งมันดีแสนจะดีแต่อีกอย่างหนึ่งมันเสียหายพระสง์องค์เจ้าของเราในบางแห่งก็เปียกแฉะเปียกแฉะคือว่าโอ้ให้อยู่ดี มีสุขที่สุดแล้วก็ย้อนยานที่สุดในพระธรรมวินัยใหม่สนใจนะขอให้ฉันได้อยู่ได้กินสันเช่าเอ็นฉันเป็นนอนตกเย็นมาดูนั่งดูละครโทรทัศน์มันเสาร์วันอาทิตย์หัวจุ้มเข้าใส่กันนั่งนะ่ะข้าวทิ้งประธรรมวินัยใหม่สนใจขอให้คนได้กลาบได้ไหว้มีอยู่มีกินไปวันวันหลอกลวงชาวบ้านไปอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่สุขละดิบดบสุกสุสเปียกแช่อีบานแห่งก็ไม่เกรียมเลยดิบดไม่เตรียมเลย บางแห่งก็ไปสุดตรงแข้งจนข้างเอาละรองท้องรองเท้าใหม่ใส่เงินท้องไหม่จับวกเนื้อผวกปลาอะไรไม่กินฉันกินมังสวิรัตหลังแก น, นก็เจอมตีกันสาดเสียเทเสียพวกอื่นเป็นยักษ์เป็นมานไปหมดทันทีคนเดียวในที่สุดมันก็ไม่ไม่อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่กันไปเลย แล้วก็ได้ทะเลาะ ก, กันละที่นี้เหมือนข้าวหม้อเดียวกันนั่นแหละาศาสนาเดียวกันพวกหนึ่งเคร่งจนข้างพวกดนึ่งยนจนยานเปียกแชะไปหมดเลยพวกหนึ่งไม่พวกหนึ่งก็ดิบดิบสุกๆุกกเความพอดีพองามก็คือความสุกพอดีไม่เปียกไม่แชะ ไ, ไม่ไม่ไม่ไม่ดิดิบสุกสุกมัน ส, สุกพอดีกินได้มัชิ ม, มาปฏิปทาความถูกต้องสายต่างมันอยู่ตรงกลางนั่น เราช่งหายากเย็นกันเลยเกิดอันนี้มันคงจะเข้ามาทางนี้เราทั้งหลายลองคิดดูเถิดว่าข้อเนี้มันจึงเปรียบเหมือนข้าวในหม้อเดียวกันเนี่ยเข่าล่างบอลบอท่านสุขล่างบอนแป๊วไฟลุกจีล้นดำปิประ่านองค์ภูมพคุ้มภัยมุนีเจ้าสซลัญทญัตสองบอกว่าค้องหิบ้านพาน่ายหนาซีเสื่อมซูลเห็นไหมล่ะค้องหีบนั้นก็คือจารีบมันจะเสื่อมซูน บางแห่งไม่ไหวเลยพระพุทธหลปอิทธินปูนฝ่ายไม่ต้องกราบไม่ต้องไหวไหวทําไมดอกไม้ถูกเรียนไม่ต้องเอาสิเอาไปเอามาภาษาบาลีไม่ต้องว่าภาษาไทยเราไปเลยเอาไปเอามากดแปลกันเอาเองว่ากันไปเองอย่างนี้อย่างนี้แหละที่เรียกว่ามันมั น, ม, นมันไม่จุกเลยมันดำปี้เลยที่ว่าไฟลูกจีรนดำปี่องค์พระมณีเจ้าสลัญจันตซองบอกว่าข้องหีบบานไพ่หนาสีเสื่อมซูลหลอกสีเกิดเดือดบ่นเคขื่อนคุณมัวมอง คนผู้เป็นคุณบ่้ามตามคันล่องยองยี่ตีป่นเอาได้บุญภัได้ทำไปห้อยยางบอกว่าท่างเส้เนเข่าข้นเถาบอไตน้าแงเกิดสัตว์ธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นต่างกันเป็นกอกเป็นเหลาเป็นหมูเป็นคณนะเกิดปูธุชนแข็งเมืองขึ้นมามันเคยเกิดมาซ้ําซ้อนอยู่บ่อยๆและในประเทศไทยเรายัางกบฏผีบุญผีบาปที่บัณน์ตะเพือกุศกรเมืองอุบลราชธานีแต่การพืชพันของเราสมัยก่อนโน่น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 พราะเหตุ น, นั้นอย่างไรก็ตามเราควรจะได้รับฟังจะไดพิจารณาศึกษากันต่อไปรอบไปถึงเดือนเก่าหนาวลมมาฝา่าหลวงมีตะล่มหลวงตองปิวเปียงปินใบเป็นน้ำโลกของเฮาไก่เคืองขอนตัดสนาพุดมนุษย์กวนโลกาโลกคนเท่าห่อนพากันซ่อมดูถอนคันโบคือคั้วพระองค์ว่าใกล้วางศาสนากองประพุดตะเจ้าเฮาถวนหากสี่เห็นเจ้าเอ้ยประชันเอาล้นะั้นเรารีบๆกันหน่อยเวลามันจะไม่พอ มันยังเหลืออีกตั้งหกข้อเนี่ยเอามาดูข้อที่สิบเอ็ดข้อที่สิบเอดนี่ภาษาบาลีว่าจันทนังจันทนังไม้แก่นจันข้อที่สิเอ็นั่นพระก็ฟันเห็นทอนใหม่แก้วแก่นจันแดงของมีราคา่าแพงค่าสูงแสนเต๋อเขาก็อเอาไปสื่อค้ายกินเหลก็กไก่เอาจันแดงงัดใส่กระเสือสาสเหน่หน่อยแฉนหอยเจี่ยวขายอันนี้แล้วเพนวะผ้ า, ายาพุ่นไก่ขอนศาสนาพุน มนุษย์มีโลภะเมือดมัวกลัวมื่อเมือดมั่วเมากลุ่ ม, มสุ่มพูดถือสินสา่างเป็นจู๋ว่าเจ้าหัวเบาวเห็นผู้สาวแล้วเอินเส้นเว้าดังสาหาิออกจากหันสงสิเป็นผู้ล่ขายสัตว์นา้าผุธเอาประถมลงหมดจ่ายกินสินจั่งทั้งเป็นตึกเป็นหัะขายกินปิ่นไปเอารผสมพระวินัยยัดใส่กระเซื้อกระสาโตสา้ส้นผาที่ยวขายว่าสันเดีคนมาลาท่านว่าอย่างนี้จังเป็นเหวนเห็นตอนหายขายหูพ่อพระองค์สงบ๊ถือวินัยไผเมืองบยญยาน มีแต่คนผ่านกาโลกกายีคยวคุณาศาสนาเกิดบุญศูนย์เสามนทลายสงสิเป็นผู้หายคายาศาสนากูสพัญญูลิ่งเห็นนายสะอางพางหายขั้นว่ากายเป็นหน า, าศาสนาองเฮ้ง<อ>จึงจีฟื้นขึ้นไม้หัวสัน่นยังจะฟื้นนะสุดลงไปแล้วในะยังจะฟืน้นเมือม่อเมือม่อเมือ่อเมื่อศาสนาลวงเห ล, ล่าไขแววข้นลืนหลังคังนั้นแล้วคนติดอยู่เป็นซุกหายจากโลกค่าทุกหลอกไผ่สิกไกลเหนือไพผู้ ยังแหมเหือ่อจะเห็นทางฝ่ า, ฝาลวงขั้นจะได้ผลจากบวงเว้นหายห่างไกลฟุ้งมุมานบะใบเมื่อหนาอยู่ก็ะเสริมเริ่มแต่เข่าเดือนสี่ปีกุลไม่รู้ปีไหนปีกุลเดือนสี่ว่ากันไม่รู้คอสละลายคนโบราณว่าไผผู้มีบุญหลายจึงสี่้องค่อยเห็นนอพุ้ทั้งเดิมป่าให้พากันถือสิีลหาภาว น, นาเดิมแม้ยังจะเห็นจึงแผลว่ามีเว้นห่างไกในช่วงนี้ประวัติศาสนาจะได้ตกต่ำช้า เ็วสามลงมาแล้วจึงจะเกิดมีคนดีขึ้นมากอบกู้พุทธศาสตรนาจะเจริญรุ่งเรืองที่ฟันเห็นแก่นจันแดงคือของเป็นราคาแพงที่สุดเอามาใส่ใส่ตะกร้าไปเที่ยวขายแก่นจันซันเดิลวูดราคาเป็นกิโลละสองสามหมื่นเมืองนอกที่เขาซื้อกันนะนะอันนั้นพระพุทธเจา้าท่านเปรียบเทียบ ว, ว่ามนุษย์เต็มไปด้วยความโลภพระทงองค์เจ้าจะทาตัวเองเลวสาม จะมีลูกมีเมียจะเล่นหัวยอกเอินกับสีกาดังที่เราจะเห็นสมีนั้นสามีนี้ดังออกมานอกจากนั้นก็หลอกลวงเป็นมารป่นสาสนาวะอะไรล่ะเครื่องลงเครื่องลาดอะไรมีให้เราเห็นหลังจากนั้ น, นเขาจะเอาธรรมะนี่ไปแลกจ่ายขายกินอาตมาเคยได้ยินบ่อยๆเนืบางครั้งบอกโอ้ยอาจารย์สมพรนี่ไปนิมนต์ท่านไหม่มาอย่างน้อยต้องสามพันเคยได้ยินครูบาอาจารย์บางแห่ง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 จะตายแท้แทยังยกคอนั่งขึ้นมาเทศเอกว่ า, ามันตะยามีโวภิกเขเวปฏิเวทะยามีโวภิกเขเวกัมยามิธรรมา ส, สั่งขร า, าประมาเทนะสัมปาเทหิเนี่ยเราขอเตือนเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายสังขารทั้งหลายมีความเสื่นไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยาได้ประมาณยังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมนี่เป็นวาจาเครื่องคมสอนของเราในครั้งสุดท้ายท่านเทศจนตายจะไม่ได้กัณฑเทศสักบาท ทำไมเราจะต้องไปเทศเอาแต่กันเทศกันเทศนี่เข้าใจผิดคิดว่าโอ้ยจา์ทั้งพอมีจะต้องสามพันขึ้นไปเคยมีที่ไหนพระสงฆ์องค์เจา้าที่แท้จริงไม่ต้องมาจ้างคันดอขอให้ท่านมีเว ล, เวลาแต่อย่ามาแย่งเวลาไปจากวัดหมดนนะ อันนี้ไม่ฟังเสียงเลยวันไหนก็จะเอาต้องเห็นใจศาสนานั่นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมัวจะไปเทศสอนชาวบ้านพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในวันขาดความอบอุ่นวา่าเวเดียวได้ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์ไม่ได้ใกล้ชิดนี่มันเสียหายหากักบ่มันสิภาคตนตุ่มตายก็อยากจะกราบแหละอยากจะกราบลงกลางเท้าข้าวปลายตีนนู่นแหละขอร้องวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบนั้นไม่อยากให้นิมนต์ไปไหนเลยอยากจะให้ได้อยู่ ที่วัดได้อบรมพระเนนได้ค้นคว้าประทำรรวินัยไต่ปีดกแล้วก็ได้ทาสมาธิภาวนาแบ่งเวลาให้บั่งอย่างนี้จะเป็นประโยชน์มากขอให้เข้าใจว่าไม่จะไปเทศเอากันเทศกันเถอะบันกวอนไปเทศในเมืองเลยเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวยกคันไปหาแพ่เทศขอร้องว่ามาให้ไม่ได้มาเอาทําลายสมาธิผู้ฟังผู้เทศเสียเงินเสียงทองติ่งตังติ่งกันนั่งฟังเสด็จดีกันเทศที่ดีที่สุดคือตั้งใจฟังด้วยความสงบรำหน้าพินิจพิจารณาไปตาม นี่ฉะนั้นเราจะได้ขายาศาสนาการกินดังที่ฝันเห็นเอาแก่มจันแดงใส่ตะก้าไปเที่ยวขายนี่แล้วหินแหกครับเกิดเป็นนวยแกวพิล่าเข็มคาใส่แพงจวงจันโขคล อ, องหอมมีคาหนังเที่ยวใส่กระสาคือเบี่ยเที่ยวขายมันใช้ไม่ได้ พ ร, ระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าสงสิเป็นผู้หายขายาศาสนาผุดเอาประธรรมลงหงุดกายกินสินจากตักเป็นตึกเป็นห่างขายกินปิ่นไปเอาประสูจุพระวินัยหยัดใส่กระเซาะกระซาโตส้นผ่าที่ยวขายเดี๋ยวนี้คนต้องการเทปมากบันทึกเทปไม่ทันดอกแล้วอยากเข้าใจว่าที่นี่ขายเทปนะถ้าท่านไปซื้อในตลาดเทปเฉยๆนี่ไม่มีอะไรเนี่ยราคายี่สิบาทยี่สิบสองบาทอย่างเทป พ, พวกออนป้าราคา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 ไม่ได้ทําเป็นเชิงพาณิชย์จะทําเป็นเพื่อการเผยแพร่พุทธศาสนาทัานทั้งหลายลองคิดดูก็ให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าหาเครื่องมันพังไปก็อาศาัยจิตใจผู้ที่มีบุญนั่นแหละจะเป็นผู้ช่วยส่งเสริมจะมีท่านที่เข้าออกเข้าใจซื้อเครื่องน้อยๆมาให้ถ่ายอะไรอย่างนี้ ภาาอนุโมทานาสาธุการถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่ทันพวกอารัจฉิทั้งหลายโฆษณากันโคมโคลมโกลมหลอกกินตับกินไ ต, นตชาวบา้านเดี๋ยวก็เอ า, าศาสนาเนี่มาบังหน้าขายหลูกประคำํำขายดอกไม้ถูบเยียนไปทัวนิพานธ์เสริมะเน่เสริมมงคลตัดกำ ต, ตัดเวนน่ะเนี่เอาปรทําลงหมดจ่ายกินสึงจางตั้งเป็นดึกเป็นหางขายกินปิ้นไปเอาประโสนรพวินัยยัดยใส่กระเสิร์กระซาโต้โซนผาเที่ยวขายเองไหม จังไม่เห็นตอนหายขายหูบพ่อพระองค์สงบถือวินัยภัเมืองบวยยมย่ามิจะคนผ่านกาโลกาเขี่ยวคุณาศาสนาเกิดบุ่นสูนเสามุนตะไลสงสเป็นผู้หายขายาศาสนากูทรพันยูลิงเห็นนายส า, างทางไห้ว่าทันเดนี้ขายหูบพูไว้ก่อนเลยนะเนี่ยแต่ก่อนเรายังไม่เคยมีพระพุทธรูปขายเดียวนี้ไปเที่ยวขายพระพุทธรูปอย่างไม่พอขายาศาสตร์แล้วขายาศาสนากินขาน้ำโมกินแหลวขายโตน้ําอีกมขายโต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 ชู้เชิงสาวก็มีซึ่งเหม่ยเคยพบเคยเห็นไม่รู้มายังไหนนู่นมาจากชายภูมิบุรีลำเอิยบอกอย่าลืมเนื้อคําพูดกันที่ที่นี่แม่แม่คาพูดนี้ก็ยังลืมซะแล้วอย่าพูดอย่าลืมนะคําพูดกันอยู่ที่ปราศาสพนมลุงว่าเงินตอนที่จะลงจากรถจําได้ไหมลวงพี่พูดอะไร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 ซ้ที่บาทแล้วก็ให้แก่แค่ทุนเท่านั้นไม่ได้ขายได้เคยอะไรดอกต้องการกันความสับสนถ้าจะพิมพ์แจกเลยก็ไม่มีเงินอย่างว่านั้องขอให้เข้าใจอย่างนี้เดียวนี้พวกเรามันเป็นกันอย่างนั้นก็เลยทําให้เกิดมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาถ้า พ, พูทธ่จะท่านบอกว่าศาสนานั้นเสื่อมลงในยุคเนียจะเสื่อมมากได้เมื่อขายาศาสนาเอาประทำวินัยไปค้ายขา ย, ขายรูปขายรอยขายตนเองเนี่ยขายนโมกินแหล้าขายโตนำอีก คลายนามโอคือคลายคําเทะคาซ้อนไปหลังเสียงนั้นก็าขลายโตพิมพ์ออกมาเป็นปั๊มออกมาเป็นเลี้ยนเป็นเลิ้นอาแล้วทีเนี้ยหลุดโน้นรุ่นนี่ขึ้นมานี่มันจะยุ่งไม่ใช่พูดเอาเองนะเนี่ยมีในสูตรในธรรมคนโบราณท่านเขียนเอาไว้ที่ว่าวงบ่อถือวินัยภัเมืองบอยำยามีแต่คนผ่านกะโล ก, กาเขียวคุณศาสนาเกิดบุญส่วนสอบมุนตาลายสงสิเป็นผู้หายคายศาสนากูสัพญูลิ่งเห็นนายสานพางห้ย ขันร่างกายไปหนาศาสนาของเฮาจังสีฟื่นขึ้นไหมศาสนาที่ที่ที่ลวงแหลี่ให้แววขึ้นลื่นหลังหมายความว่าเมื่อมันเสื่อมแล้วจะมีคนมากอบกู้ขึ้นมา มีคนกล้าขึ้นมาคนดีแห่งกรุงศรีอยุธยาผ่านไปคนกล้าแห่งรัตนโกสินทร์พูดจริงทำจริงขึ้นมาตายแล้วก็เสามีแห่งพูดความจริงขึ้นมาอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนดีอันใดนนนงามค่อยพูดค่อยจา ก, กันขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะมีคนเห็นอกเห็นใจกันมาเข้าอกเขาใจก็จะมาช่วยกันครั้งนั้นแล้วค้นเจดีอยู่เป็นสุขหายจากโลคข้าถูกโลกให้สิ่ไกลเหนื่อยภัยปูนย่งแหมเหนื่อยเสียนทางฝา่าเหลือง คน้นใจพ้นจากบ่วงเว้นหายหานไตพุงมุมา่านบาบใบเมื่อหนาอยู่กระเสริมเริ่มแต่เข่าเดือนสี่ปีกุนไผยผู้มีบุญหลายจังสิ่งข้องค่อยเห็นนอนผุดทั้งเดือบป่าให้เจ้าผ้ากันถือสินหาผ้าวันหน้าเดือบแม่ยังเสหเห็นเที่ยงแผลผู้ ม, มีเวนอ่างไก่วาสเดชเอาละผ่านไปเวลามันจะหมดแล้วต่อไปข้อสิบสออ ย, อย่างอีกว่าอย่างหลายข้อนะยังแต่หาขอบ ข้อที่สองนั่นพญญายใหญ่ปเสนสร้างฟันเห็นนิมิตเหมือนนอนตอนเสาฟันเห็นหมากนำเต่าล่นจมลงสามุดใหญ่เลยบไหรี่ลองขืนจมผืนหลดบ่อฟูซิบสามข้อซิบสามข้ออีกข้อหนึ่งนั่นฟันว่าหินอยู่หนามก่อนใหญ่มันฟูเบิ้งมันฟู่ในของลองลองลงในหนามลองลงไปไตอุปไหมสองข้อสมกันเป็นข้อหนึ่งหมากนําเต่าของมันฟู่ผัดเล่าจมลงผืนบาดว่าหินใหญ่ ่งล้อยน้มดังสาโนเนี่ยองพุโทโธเข้าแปลสังมาจาาต่างการจักมาผ้าหนาค้นพวกพระราสิได้ขึ้นเป็นใหญ่ฟุ้งหมูคลนบาบใบสิเป็นเจ้าหนังเมืองค้นผู้ลูกขาวเรื่องในสูตข้องถรำกรรมสิมีมาถึงสิตําล่องเป็นหน่อยศาสนากูข่อยถอยไปไก่สีเ ข, ขิงเขาไปถึงวางนันสีหันปิ่นเปี่ยนแปลง เมนบาคุนผู้หน่อยสิเป็นใหญ่มีโยดปรากฏในแดนดินทินท่อนและเนตตังให้คอยฟังดูทอนขั้นบวชยิ้งคือจังความเป็นว่าใกล้ระว่างสาตนาของพระพุทธเจ้าเห้าทวนขวัญกาเสียนอันนี้ข้อนี้ข้ อ, ขอที่สิบสิบสองสิบสามมันตรงกันคือมันมันมันกลับกันดีว่า หินหมากน้าเตาหน่วยหน่อยหน่วยแ ห, ห่งเนี่ยมันอยู่บนบกกลับเกิดเป็นคลองนักจุ่มจมล่องเพือ่อนศิลากร่อนกระดานหินนักหมื่นครับสิร้อยหลอมหนาฟูกขึ้นจังสโนโ่พ่อสีสอยสิเป็นย่อยหักยองให้จะกับจองขึ้นแถมสอนตรงโปงใบม้าจิงจอกสีได้ขึ้นนังไต่ําคุ้มโทธาภัยพ่นทั้งขายฮงคำผายเวหาเฮินเมกซิมันบหนอกใบเป็นแหล่งให้แก่กาตอนนี้พูดให้มันเร็วหน่อยกลัวเวลามันจะหมดซะก่อนคนดี จะไม่ได้มีอํำนาจเขาจะไม่เลือกไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่สองหมู่คณะคนเด็บมีสินมีธรรมจะตำต้อยพาละ ล, ะลอยจะเฟื่องฟูสุชูศักดิ์สีคนซื่อถือพระเจ้าเขาจะเห็นเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วตัวกะลีคนอับ ป, ปีเป็นคนดังมา้าจริงจอกนั่นก็คือคนโกงเอสคันนิ่งอสอฟโกเหมือนสุนัขจริงจอกอาปาให้นกกระยางเอาก้างออกจากคอแล้วก็นับกินหัวนกกระยางด้วยทําคุณบูชาโทษฉลาดแกมโกงไม่มีฉลาดและประกอบไปด้วยคุณงามความดี ภาษาอังกฤษเเรียกว่า cunning ไว่บอกโงฉลาดโกงไม่ใช่ว i s ดอมคือปัญญาที่รอบรู้ทั้งดีทั้งฉลาดด้วยไม่โกงใครช่วยเหลือกันแต่อย่างนี้ไอนี่มันจะมีพวกนี้จึงเรียกว่าน้ำเต้าเฟื่องน้ำเต้าเนี่ยจะจมหินเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมคนพากลางเขาเราว่ายอย่างนี้ มันก็เลยเป็นอย่างนี้เอาละเราผ่านไปข้อนี้ท่นานนัหลร้ก็พอจะมองรู้มองเห็นกันอยู่ในข้อที่สิบสี่คอนึงนั่นฟันวเอียนอยู่นหําแนงนายบั้งตมนี้ไปชมผู้พาปลาดอนนวลหลี่เสียงสนีหมันนหาแขนย่อยห้ยีแขนจองอีกอย่างหนึ่งฟันวข้องบวกหนาแนงนายบั้งตมฟันเห็นงูเฮากลมล่องข่ามหนากจองอางง่อข้อนบเขียดจะหน้าหนำไหวฟุงหมูทำท่านไห้ ขอเป็นสหายเสียวกับมูเขียดบักแอ่เพิ่นแสดงบอกไปไปหนาให้ค่อยซ่อมเดยนีห้อมเข่าวใกล้ขอนขึงศาสนาพุธมนุษย์ในแดนดินบ่อเทียงถ้ำพันเหลี่ยวมีแต่การคับเขียวสิ่งกันหยาติภัยคนผู้เคยเป็นใหญ่สี่ได้ครับตาวหนาม่านหนอมต่อภัยพ่นไผกันนี้พอพ่นหลกเปลี่ยนเวียนหมุนผู้ใหญ่ไม่ใหญ่เลยซ่อมบังเดือปีกุลบอนคุณพ่ายสอยอันวเด็กหนุ่มหน่อยท่าละกาเกิดใหม่สี่ได้เป็นใหญ่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 ต่อมามันทูกิโยกันหะสเปชิลันติภาษาบาลีหมายถึงว่ากบเขียดน้อยประห้องอ่านโค้งสารเหตุแห่งงูเข้าผิดเนื้อกลัวเก่งยนันกากรังสวุวรรณาปริวารยันติหลังจากนั้นหงค้ำผ่ายเวหาเหินเมกนบหนอบไหวเป็นแหล่งแก่กามาเป็นบริวารให้แ ก, ก่อ่าหนูสิ่งทํตาตะบ้าไห่แม่บักดำกลมกลาเซื้อโค้งนบหนอบไายข้างหน้าเนือ้อมูสัมันอันนี้ ต่อม า, าเทอมกบเขียดน้อยประห้องอ่านข้องสารเห็นแต่งูเข้าผิดเงี้ยกลัวเก่งยาก